นะทิ้งลากเง่าเราไปเนี่ยนะถูกเขาเกืนหมดเลยอันตรายมากเรื่องจิตวิญญาณเหมือนกันการพัฒนาอยากก้าวหน้าต้องถอยหลังนะเราไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรเลยโดยเฉพาะหลักจิตวิญญาณก็คือลดละเลิกแต่พัฒนาในยุคนี้เราเพิ่มเติมความรู้เพราะเราอยากจะรู้มากนะเพื่อเป็นแค่ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งทุนนิยมเขาต้องการใช้เราไปสร้างทุนของเขาเท่านั้นเอง มันแก้ปัญหาโดยการเพิ่มทุนแต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตชีวิตเราเนี่ยต้องพัฒนาโดยลดละเลิกถอยหลังเข้าไปสู่ความเป็นจริงสภาพเดิมของเขาปัญญาเราจะเกิดปัญญามีอยู่แล้วมันถูกม่านบังตาต่างๆความรู้ผิดต่างๆกิเลสเนี่ยนะนะม่านบังตาต่างๆและกิเลสนั้นทําให้เรากังวลว่าเราจะแพ้เราจะไม่สาเร็จมันจะสร้างอารมณ์กลัวความกลัวทาให้เราเสื่อม นะโปรแกรมนี้ตั้งมั่นไม่ต้องตั้งใจสนุกสนานเหมือนเด็กๆเริ่มจากว่าทุกตั้งแต่สี่โปรแกรมนี้นะไม่เหมือนกันหมดทุกอารมณ์ไม่เหมือนกั น, กมม เ, น, กนเจตนาก็คือว่าให้เราเห็นตัวเองเดี๋ยวสักคั้หนึ่งเฮ้ยทาทําไมวะนั่นตัวเองนั่นแหละเฮ้ยมันอายวะ่ะนั่นแหละคือตัวเองแหละพวกนิกิเลธทั้งนั้นเราต้องเห็นมัน แล้วก็ข้ามพ้นมันได้หน้าที่เราคือว่าเรามีหน้าที่เต้นก็เต้นลํมก็ลําร้องก็ร้องแต่กินเหลมก็ทำหน้าที่มันนะความคิดยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ารู้เฉยๆไม่ต้องไปคิดตามเขาอันนี้คือการปล่อยวางหัวโขนการเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจอารมณ์เพื่อเราจะเดินทางไกลนะเราต้องเดินทางไกลนะครับก็ปลดห่วงโซ่ต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการเดินทาง เหมือนเราจะเดินออกจากป่าเนี่ยเราจะแบกสัมภาระด้วยแบกมารยาทประเพณีวัฒนธรรมบุคลิกภาพอัตราตัวตนเนี่ยมันไปไม่ได้ไกลนะเราต้องไปแบบตัวเบาๆนะมันไม่มีมันไม่มีอะไรที่สับสนวุ่นวายนะมันไม่มีอะไรที่ที่ซ่อนเงื่อนคือตรงๆนะเดินทางด้วยตัวเบานะ เ, ออเด็กๆเวลาดีใจเนี่ยเขาเฮไม่มีมารยาท เวลาเขาเสียใจลงไปกิ้งร้องไห้ปล่อยออกมาปุ๊บนะไม่มีบุคลิกภาพลุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็เล่นกันต่อผู้ใหญ่เราเนี่ยแค้นนี่ต้องชําระสิปียังไม่สายให้ระวังนะเสียบุคลิกภาพเสียมารยาททาสานมันไม่มีมารยาทมันเลยไม่ต้องเครียดแต่ไม่ใช่เราทิ้งมารยาทนะมารยาทประเพณีต่างๆเนี่ยของไทยก็เหมือนแบบของไทยของของฝรั่งก็เหมือนของของฝรั่งมันเป็นอุบายวิธีในการอยู่ร่วมมันเป็นแค่ สิ่งสมมุติเราไม่ทำลายสมมุติแต่เราต้องไม่ติดสมมติไม่หลงสมมุติทุกวันนี้เราหลงติดสมมติสมมุติว่าเราเป็นโน่นเป็นนี่ต้องระวังบุคลิกภาพนั่นแหละคือความเครียดที่มาของมะเร็งนะก็ลองทำดูเราจะเห็นจะมีความรู้สึกตะกิดตะขวางหรือว่าต้านนั่นแหละคือกิเลสเรานี่ยนะนะนั่นคืออุปสรรคของการเดินทางของจิต นะแล้วก็มาลองปลดปล่อยเช้านี้นะทีนี้เมื่อกี้ก็ปรึกษาจนาทีที่นี่แล้วว่าเนื่องจากช่วงเช้านี่มันจะมีห้าอารมณ์มันจะมีอารมณ์หนึ่งแรกๆคือ checking. เช็คกิ้งอย่างถ้าเราเลี้ยงสุนัขที่บ้านเราสังเกตนะครับเขานอนอยู่ น, นานเนี่ยลุกขึ้นมาเนี่ยงานแรกเขาทำอะไรเขายืดเส้นเขาเขาสั่นสเตือนเขาผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกายที่เรานอนทับมันมาทั้งคืนสังเกตนะฮะนี่คือธรรมะนะคือธรรมาชาติ เขาไม่มีมารยาทเขาไม่มีบุคลิกภาพเขาก็สั่นเพื่อปลดปล่อยความตึงเครียดของเขาในร่างกายนะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นบางทีเขาก็เหา่าเขาก็หอนเขาผ่อนคลายอารมณ์เครียดเขาถึงไม่เป็นมะเร็งนะของเรานี่ไม่ได้อายไม่สวยงามนะบุคลิกภาพนะผู้ใหญ่เราในี่แค้นนี่ต้องชำระสิปียังไม่สายนะแบกตัวนั้นแหละ นะความเครียดคือที่มาของโครคภัยไข้เจ็บหลายๆอย่างเมื่อเราเครียดแล้วเนี่ยนะภูมิคุ้มกันโรคโดยธรรมชาติอิมมูนซิสเต็มเนี่ยมันโดนกระทบมันไม่ทำงานไม่เต็มร้อยแล้วเสพสาร เ, เคมีเข้าไปเนี่ยมันขับออกมาไม่หมดมันตกค้างเรามีสมองกลเรามีเครื่องฟอกอากาศ เรามีเครื่องย่อยสลายอาหารเอาของดีมาใช้ของเสียขับทิง้งเรามีโรงงานขับกากอาหารขับขับน้าเสียนี่คือสิ่งมหาจักร์แต่ถ้าเกิดเราเครียดปุ๊บเนี่ยขบวนการทำงานของมันเนี่ยไม่เต็มร้อยมันก็เกิดสารตกค้างนี่คือที่มาของมะเร็งนะเราจะไปแก้ที่ต้นเหตุทั้งหมดชีวิตเรามีอยู่สามอย่างคือกายจิตอารมณ์นะเราจะบูรณาการสามอย่างนี้เนี่ยนะ p ิกอัให้เขาเกิดขึ้นมีความแข็งแรงตามธรรมชาติเดิมของเขาตอนนี้เขาอ่อนแอมากเพราะเขาถูกกดทับด้วยอารมณ์ต่างๆนะเราก็ต้องปลดปล่อยอารมณ์เหล่านี้นะก็เมื่อเช้าปรึกษาว่าที่นี่เป็นพวกกูไม่รู้สิ่งแวดล้อมเพราะเช้านี้เนี่ยมันจะมีเสียงดังตอนที่เราเป่งเสียงออกมาเราล้อออกมาเลยนี่นะพรกกูไม่รู้สิ่งแวดล้อมกระทบไมเขาบอกไม่เป็นไร คุณหม อ, อไม่เป็นไรก็ลองทําดูนะคือคือเสียงเพลงเสียงอะไรเนี่ยคนอื่นฟังเขาก็ไม่รู้สึกยังไงถ้าเสียงผู้คนร้องขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกมันจะต่างกันแต่ทีนี้เขายืนยันวาไม่เป็นไรก็ ก, ก็ลองทําดูนะคือเราจะไม่ทําลายสมมุติบัญญัติคนอื่นนะเราทําอะไรอิสระในกรอบที่ไม่กระทบคนอื่นนะทุกวันนี้บางทีเรียกร้องเสรี ก, กันจนลืมหน้าที่ วุ่นวายไปทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยอันนั้นคือคนขาดสติคนมีสติจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอย่างในป่าดงดิบนี่ไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายไม่มีระเบียบวยนในแต่สัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างสันติเสรีโดยแท้นกฝรั่งเศสบินมาเมืองไทยไม่ต้องขอวีซ่าเขาไม่มากเรื่องแต่มนุษย์เราเนี่ไปสร้างกลไกโลกตรงวันนี้ต้องวุ่นวายไปหมดเลยเห็นไม สังคมใดที่ต้องพึ่งกฎเกณฑ์กติกาหรือกฎหมายมากๆมันสะท้อนให้เห็นถึงความตกต่ำทางด้านคุณธรรมนะก็อันนี้พระครูพูดกว้างๆแล้วก็ช่วงสีห้าวันเนี่ยมีจังหวะพระครูก็มาแบ่งปันประสบการณ์นะชาวนี้ก็เรามาเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจกับอารมณ์นะครับถ้าพร้อมแล้วทุกคนยืนขึ้นนะครับ ทุกครั้งจรนจะหยุดเนี่ยเราความรู้สึกเราทั้งหมดเนี่ยตามลมหายใจเข้าไปแล้วก็กดมันไว้ก่อนนะเหมือนเรากั้นใจไว้เนี่ยนะอันนี้เป็นการดึงสติเรามาอยู่ปัจจุบันนะแล้วก็เมื่อเมื่อจะขาดใจแล้วก็ปล่อยออกมาชา้าๆเอาความรู้สึกเราตามลมหายใจออกมาทำไปเรื่อยๆสามสี่ 3, ครั้งเมื่อเป็นปกติดีแล้วค่อยลืมตานะ เหมือนช่วงชั่วโมงที่เราเข้าไปในจิตในจิตแล้วเข้าไปลึกมากนะแต่เรามีเงื่อนไขเวลาต้องการจะหยุดเนี่ยเราต้องหยุดให้มันเป็นนะเราก็ดึงความรู้สึกเรามาเกาะที่ลมหายใจมาอยู่ปัจจุบันนะทุกๆโปรแกรมนะให้ทำแบบนี้ถ้าเราหยุดกระทันหันเลยเนี่ยเขาเรียกว่าทํารมณมันจะค้างอยู่นะบางทีหนักหัวหนักไทยทอยหนักที่หน้าอกนะแต่ไม่มีอันตรายอะไรนะ โดยธรรมชาติเดี๋ยวเขาก็ปล่อยไปเองแต่ดีที่สุดเราหยุดตอนที่เราเบาโล่งโปร่งสบายนะอันนี้ต้องฝึกวิธีหยุดด้วยก็ได้เวลาเนาะเนี่ยขั้นช่วงเช้านี้เป็นช่วงเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจเนี่ยเรามีห้าอารมณ์ ก็มีเจตนาที่จะทําให้จิตเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงถ้าเราไปฝึกสติฝึกสมาธิแล้วมันจะไปจมปักอยู่ในอารมณ์นั้นน่ะที่บอกว่าไปติดสุกในฌานนั้นน่ะมันก้าวหน้าไม่ได้และชีวิตเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดอารมณ์เราเนี่ยเชาย้ า, าอย่างหนึ่งบ่ายอย่างหนึ่งขนาดของเราเองและของทุกๆคนอยู่ร่วมกันเนี่ยมันแปรปวนตลอดเวลาตอนนี้ถ้าเราฝึกยอมรับความเปลี่ยนแปลงนเนี่ยมันจะกลายเป็น เป็นอินทรีย์พละงของเราแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะก็ยอมรับในความแตกต่างนะไอ้แนวนี้เราฝึกไปเรื่อยเราทำไปเรื่อยเนี่ยเราฝึกโดยไม่ต้องเรียนไม่ต้องฝึกลก็คือปฏิบัติเลยคือทำเลยทำเลยทาเลยจิตมันก็จะเกิดความชำนาญขึ้นต่อไปชีวิตเราเนี่ยกระทบไม่กระเทือนเนี่ยเขาด่าเราก็ทบหูไม่กระเทือนใจ เวทนาเกิดขึ้นที่ใจใครทําให้เราทุกข์ก็ไม่ได้มันทุกข์มันสุขอยู่ที่ใจนะเนี่ยที่เราทําบ่อยๆบ่อยๆไม่ใช่ไปนั่งสมาธิกดมันไว้แล้วก็สงบชัว่วครู่นะแต่พอออกมาแล้วเนี่ยมันก็วีนเหมือนเก่าเพราะไอ้เชื้อไวรัสที่ทําให้เราไม่สงบมันก็ยังอยู่นะทุกขบวนการเนี่ยทําให้เราเห็นตัวเองว่าเออเราเป็นอย่างนี้แหละนะออพ่อคกูถามเนี่ยหนูคนนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรลูกใช่ครับฮะ มองนุ่นอ๋อนุ่นใช่ไม่ลูกใครตั้งชื่อให้ฮะใครตั้งให้ลูกเด้อเคยปรึกษาเขาไหมเห็นไหมเขาเขารักเรามากเขาก็ตั้งชื่อที่เขาเรียกแล้วก็มีความสุขลูกเราก็เลยกลายเป็นนุ่นเนา ะ, ะดีไม่ดีเขาแถมศาสนามาด้วยนะน้าพุทธนะลูก อิสลามนันลูกคิด น, นลูกพ่อพ่อแม่ชอบมากโดยที่เราไม่รู้คืออะไรเขายัดเยียดเรามาตั้งแต่เกิดลเห็นหเขากำลังส่งเราไปเรียนวิชาสร้างอนาคตเราไม่เคยรู้เลยว่าเราเป็นใครโปรแกรมกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครนะเราก็แก้ปัญหาชีวิตเราไม่ได้จิตมันเฟิร์มไม่ได้อารมณ์ดีไม่ได้เรามาปฏิบัติภาษาอังกฤษบอก Search i n s i ซ e Yourself ก็คือว่าเ e a r c h เขาเ้าไปในตัวเองนะแค่เรามาเต้นมาลําเรามานอนมันอยู่เนี่ยเรากำลังอยู่กับตัวเองตลอดเลยเห็นไหมเราก็เห็นอารมณ์เราก่อนจะรู้ว่าเราเป็นใครนุ่นนุ่นนุ่นเป็นใครลูกหัวอายูรู้ไหมลูกเห็นไหมบางทีบอกว่าผมชื่อนุ่นครับ ไม่พราะครูไม่ต้องการรู้จักชื่อเราต้องการรู้ว่าเราเป็นใครมออันนั่นนุ่นอันนี้หมอกเนาะได้ได้ไม่เป็นไรนั่นแหละนุ่นเป็นใครละ่ะนุ่นเป็นใครนุ่นเป็นใครใช่ครับคุณนั่นแหละเป็นใครฮะแล้วเราเป็นใครละ่ะฮะหวยชื่ออีกนั่นแหละ ไอสิ่งที่มันเป็นเจ้าของชื่อป่วยเนี่ยมันคือใครกันแน่มันคืออะไรกันแน่นะไอที่นั่งอยู่ตรงนี้นมันคือใครคืออะไรเหรอเห็นเราไม่เคยมาดูตัวเองเลยเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปเห็นคนอื่นไปเรียนวิชาของคนอื่นนะอันนี้เป็นวิชาที่เรากำลังมาเซิร์ชเข้าไปในตัวเองก่อนจะรู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยต้องมาดูก่อนว่าเราเป็นอย่างไรเราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่ เราเป็นคนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงหรือเปล่าแล้วมีอารมณ์หงุดหงิดไหมเราเป็นคนขี้กลัวไหมเห็นไหมวิธีรู้ก็คือว่าไม่ต้องไปคิดเอาเองว่าคิดคิดตามกิเลสอีกแค่เราหยุดคิดเรามาเต้นเรามาลัมเรามานอนเรามาทำอะไรที่ที่เราไม่เคยทำที่เราเคยทำมันคือกิเลสกิเลสคือความเคยชินเรากินหวานบ่อยๆเราก็ติดหวานเราก็อยากกินหวานอยากนี่เป็นตัญหาแล้ว เมื่อได้กินหวานปุ๊บเนี่ยอุปทานก็เกิดมีความรู้สึกสุขพอเขาแย่งไปปุ๊บก็เลยทุกนะนี่เป็นโปรแกรมเรามา Search Inside Yourself คือเข้ามาเรียนรู้กับตัวเองมาเซิรมาดูก่อนว่าเราเป็นอย่างไรโอ้เราเป็นคนที่หงุดหงิดนะเมื่อกี้นี่มีคนเผลอนะป๊บเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยฉากล่มละต้องถ่ายใหม่แต่และฉากลงทุนสิล้าน เพราะคนตายเป็นหมื่นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลายหมื่นใช่ไหมเพราะเราคนเดียวปุ๊บเนี่ยเราก็ทําให้ฉากลม่มใช่ไหมเพราะเราทําทํากิเลสเราคันปุ๊บชันก็เก่าเห็นไหมเนี่ยเราเป็นคนขี้งุญหญนหยิดเนี่ยเราเห็นแล้วเห็นไหมนี่คือวิปัสนาไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยอย่างน้ำมันนิ่งเนี่ยนิ่งเฉยเฉเนี่ยเห็นมัน ม, ไ ม, ไ, ม, ไ, มไม่ต้องฝึกสมาธินะมันก็นิ่งอยู่แล้วนะ ถ้าไม่มีรบกวนมันก็นิ่งพอฝุ่นละอองเม็ดนิดหนึ่งโลกนี้มามันก็เห็นเลยเห็นไหมเราจะเห็นอารมณ์เราชัดเลยนะเราเห็นกายเคลื่อนไหวเราก็เห็นมันเหนื่อยมันเบื่อเราก็เห็นเวทนาในเวทนาเราเห็นแล้วจิตรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เราก็เห็นแล้วทีนี้ไอ้ทำในธรรมเดี๋ยวช่วงบ่ายไม่รู้ชั่วโมงไหนที่จะเวียงเข้าไปทำในธรรมนั้นคือทำมะลุมเป็นเรื่องของเวทนาในอดีตหลายชาติที่เราฝังลากลึกอยู่ตรงนั้น ไอ้ น, นั่นคือกรรมเราจะเรียนรู้เรื่องกรรมโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกเราเราจะไปสัมผัสมันจริงๆนะบางคนเคยหักขาไก่หักขาแย่บางทีเราจะเป็นถูกแย่ถูกไก่ถูกหักขาในนี้อ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บจนร้องไห้เลยนะบอกหมดเวลาแล้วปึ๊บออกมามันหายไปไปกินข้าวกลับมาเจ็บต่อไม่ใช่อุปท า, านเราคิดึ้นมาเองนะ ถ้าเป็นอุปทานก็เป็นอุปทานในอดีตนั่นคือเป็นการล้างกรรมทางจิตนี่คือขัดเกาจิตให้ผ่องใสแล้วเราจะเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมโดยจิตใต้สำนึกเราจริงๆแล้วต่อไปเวลาที่เหลือเนี่ยเราจะไม่กระทำกรรมอีกนะอันนี้เราไปเรียนรู้ว่าเขาบอกเรากฎแห่งกรรมมันอย่างนั้นเออทาผิดอย่างนี้ขึ้นสวรรค์ลงนระกอะไรเนี่ยนะอันนั้นมีแต่คนอื่นเขาบอกเรานะมันไม่ใช่ความจริงเนี่ย ่ชเช้านี้ชั่วโมงหนึ่งเราก็ได้อะไรเยอะนะเราจะเห็นเริ่มเข้ามาเห็นตัวเองแล้วชีวิตเราเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปเห็นอย่างอื่นไปเห็นคนอื่นนะไปเรียนรู้วิชาอื่นไม่เคยเรียนวิชาชีวิตเลยนี่คือชีวิตนะชีวิตเรามีกายจิตอารมณ์สามอย่างนะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะก็ได้เวลาครับเชิญครับพอเราเปิดประตูไปปุ๊บ ก็บรรยากาศไม่เหมือนกันแล้วเจอแสงอาทิตย์แสงแดดถ้าเราไม่ฝึกให้เราเข้มแข็งเนี่ยเราเจอความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเนี่ยเราเน่เป็นคนเดี่ยงนะนะทุกกระบวนการเป็นการฝึกให้ตัวเองเนี่ยรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะดินฟ้าอากาศอุณหภูมินะแล้วก็เสียงนะเรามาอยู่กับเสียงเพราะเสียงนี้เนี่ยมีมีผลสาหรับชีวิต นะมีผลสาหรับคนรูปก็มีผลรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เขาเรียกว่าการมาคุณตั้งหน้าเนี่ยเห็นไมถ้าเรารู้เท่าทันมันเนี่ยเสียงนี่มีประโยชน์กับเราถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยเสียงมีโทษกับเราอย่างเขาดา่าเราปุ๊บเนี่ยเราเกิดทุกข์ไม่พอใจเขาชมเราปุ๊บเราก็มีสุขเห็นไหมเราชอบเพลงบังเอิญว่าเขาเปิดเพลงที่เราไม่ชอบเราก็ทุกข์นะ เสียงมีทิทธิพลต่อเรานะเราต้องมาเรียนรู้เท่าทันเสียงสักแต่ว่าเสียงอย่าไปนสนใจในเนื้อหาสาระเราพยายามจะเลือกเพลงซึ่งไม่มีเนื้อหาสาระที่เราเข้าใจเราต้องการใช้เสียงเพลงเท่านั้นเองนะอย่างเราปฏิบัติธรรมถ้าเราถือศีลแปดเนี่ยนะเรามาฟังเพลงนี่เราผิดศีลนะอ่านี่เราไม่ได้ฟังเพลงเราไม่ได้ฟังเพลงด้วยอารมณ์ สุนตรีหรือว่าอันนั้นนั่นคือโดนตีบําบัดเท่านั้นเอง น, นะอันนั้นเป็นเรื่องของยาพาราเหมือนกบเกื่อนความเครียดได้ชั่วคราวแต่ตอนนี้เราใช้เสียงมาเป็นตัวให้จิตพิจารณามันเป็นอายตนะภายนอกนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะกระทบกับอายตนะภายในตาหูจมูกลินกายใจมันเกิดผัสสะขึ้นนะมันเกิดผัสสะที่หูปุ๊บมันก็ส่ง ตัวนั้นเข้าไปในจิตนะเข้าไปในใจเราเนี่ยตัวใจเป็นรับรู้อารมณ์ถ้าภาษานั้นเราบันทึกสัญญาว่าเราพอใจเราก็มีความรู้สึกสุขใจถ้าเราบันทึกสัญญาว่าเราไม่ชอบตรงนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกทุกข์ใจนี่คือขบวนการทำงานของอิยฉนะภายนอกหกระทบอิจฉนาภายนอสื่อกับวิญญาณหวิญญาณที่หูมาส่งให้มโนวิญญาณที่ใจนะทีนี้ชีวิตเราเกิด ถูกบ่มเพาะมาจนความเคยชินว่าโดยเฉพาะคำว่าสํารวมนะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมมานะเราถูกสอนว่าต้องสํารวมถูกแล้วนะต้องสวมลุ่มเอาสํารวมมาเต้นอะไรทำไมเนี่ยนะสํารวมไม่ได้ไปว่าเรียบร้อยหรือมีมารยาทสํารวมระวังสํมลวมอินทรีย์ไม่คิดเบียดเบียนตัวเองและคนอื่นไม่ใช่นั่งเฉยๆ เ, เรียบร้อยหลับตาปุ๊บ คิดอิจชาคนนั้นคิดรังเกียจคนนั้นเนี่ยคนนี้ไม่สํารวมเลยเนี่ยภาษาต้องระวังเราจะเข้าใจอัถะในพยัญชนะนั้นคาดเคลื่อนนะสรวมระวังเมื่อกี้นี่เราสํารวมในการอยู่เป็นหนึ่งเดียวกับการเคลื่อนไหวเรามากเราละชั่วแล้วไม่ได้ไปตีหัวใครนะไม่ได้ไปด่าใครนะแล้วเราทำดียังไงเราได้ผ่อนคลาย เอารมณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยสวมมันเต็มนี่ก็ต้องสู่มันออกไม่ใช่ไปกดมันเม้นม้น้ น, น, น, น, นฝึกน่ะขันติส่วนมากสุดท้ายก็ขันแตกเอามันออกอย่างสำรวมระวังไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเนี่ยละชั่วทำดีแล้วก็ได้ขัดเกาจิตให้ผ่องใสก็คือได้เอาออกอยู่ในนี้หมดแต่ที่ผ่านมาเราติดรูปแบบ สำรวมต้องนั่งเงียบเงียบนิ่งๆเดินช้าชาอะไรอันนั้นก็เป็นเทคนิคหนึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะบางคนจลิตมันไม่เหมือนกันเราเขาใช้เทคนิคว่าเอาละ่ะเรามาทานมังสวิรัตกันทานเจกันไม่กินเนื้อสัตว์โดยใช้อุบายว่าเพื่อให้เราลดละเลิกเราติดรถนะดรถเนื้อสัตว์แล้วก็ใช้อุบายว่าเพื่อไม่ให้ส่งเสริมการฆ่าสัตว์ผิดไ ม, ไม่ได้ผิด ก็เป็นอุบายหนึ่งแต่ถ้าไปหลงอุบายนั้นว่าทุกคนต้องทำแบบนั้นน่ะแล้วไปว่าคนอื่นผิดอันนี้ก็ไม่ค่อยใช่นะมีหลายปีก่อนท่านมหาเนี่ยกว่าปีก่อนเคยไปฝึกกับพ่อครูและปีนั้นก็พาลือสีตนหนึ่งไปเยี่ยมที่ศูนย์สองท่านก็คุยกันว่าเป็นพระดีคนหนึ่งบอกเป็นลือสีดีนะเป็นพระไมะอิสระมีศีลสิน227เครียด เป็นลือีดีกว่าอิสระทั้งมหาบอกว่าเป็นพระดีกว่าเพราะเขาศรัทธาอยู่แล้วเราพูดมีน้ำหนักเผยแผ่ง่ายเขาก็มาถามพระครูแล้วพระครูบอกว่าเป็นอะไรดีพระครูว่าเป็นอะไรก็ไม่ดีเหวี่ยงทิ้งเป็นคืออัตตาส่วนในร่างกายเราเนี่ยเขาสมมุติว่าคนนี้เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกามันเป็นชื่อสมมุติเราก็ทําหน้าที่เราอย่างซื่อสัตย์ตั้งมั่นอย่าไปทอยศต่อหน้าที่เราเพราะว่าเราภาวนาตัวอยากไปเป็นนะ เป็นแต่ไม่เป็นนะติดแอร์แต่ไม่ติดแอร์ตอนนี้เราบ่พ่อลูกหลานเราในเมืองเนี่เปิดแอร์สัเคยชินก็ติดแอร์วันไหนไฟดับน่ยมันนอนไม่หลับมันติดแอร์แล้วก็ติดแอร์แล้วยุคนี้ต้องสะเทอนน้าสะเทินบกอยู่ในห้องแอร์ก็ได้ตากแดดก็ได้ไม่มีแอร์ก็ได้นั่นแหละติดแอร์แต่ไม่ติดแอร์เราเป็นอะไรเป็นแค่สมมุติแต่อย่าไปติดความเป็นนั้นถ้าติดปุ๊บมันเกือบกลายเป็นอัตรานะพ่อครัวบอกเป็นอะไรก็ไม่ดีเหวียงทิ้ง แต่เราไม่ปฏิเสธความเป็นซึ่งสังคมเขาสมมุติเราก็ไม่ต้องทําลายสมมุติเราภาวณาตัวอยากเป็นภิกษุเราก็ต้องอยู่ในศินสองรี่สิบถ้าเราทอยยศเราก็เป็นคนมุสาเราก็ผิดศินแต่อย่าไปหลงความเป็นนั้นว่าฉันศินมากกว่าเธอนะแล้วก็กลายเป็นอัตตาเอาศินนั่นมาสร้างอัตตาจริงๆแล้วคนยิ่งมีศินมากก็มีเครื่องมือทําลายอัตตาตัวเองมากแต่ถ้าเราหลงมันเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยสร้างอัตตาขึ้น ไม่รู้จะเป็นทําไมนะอันนี้คือเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองก็ถามว่าก็เถียนกันอีกอพก่อครูกินเจไม่บอกไม่กินมังสุรัตบอกไม่กินเนื้อสัตว์ไม่บอกไม่พ่อครูกินอะไรกินอาหารอย่างมากเรื่องกินอาหารเหมาะกับาธาตุของตัวเอง เหมืคุณหมอบัญชาบอกเห็นไหมมีเหมือนกันมีแพนด้ากินไม้ไผ่มีโค้โลกเหนือกินปลาอย่าไปเถียงกันว่าอันไหนมันดีกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินกินอาหารที่มันเหมาะกับธาตุเราเพราว่าเราเรากินเจเราแบกเจไปด้วยเนี่ยไม่ใช่วางนะเขาเรียกว่าแบกแต่กินเจไม่ได้ผิดมันเหมาะกับธาตุเราตัวก็กินไปเถอะแต่อย่าไปหลงว่ากินเจดีคนอื่นไม่กินเจเป็นยักษ์เป็นมารไอ้คนไปว่าคนอื่นเนี่ยเป็นความไม่ดีอย่างยิ่งนะ ทางสายกลางคืออะไรไม่ปฏิเสธซ้ายไม่ปฏิเสธขวายอมรับทุกอย่างแต่ตอนนี้เราไปติดยึดรูปแบบไงค่ายนี้ก็ตั้งรูปแบบแบบนี้ไม่ได้ผิดนะเป็นอุบายแต่ทําไปทํามาไปหลงอุบายไปเอาอุบายนั้นมาสร้างแบรนด์เนมแล้วทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่แล้วแล้วพวกเราจะเดินไปทางไหนมองทร้งนี้ก็พุทธคันนี้ก็พุทธแต่พุทธคนละธงมองทรั้งนี้ก็คนไทยมรงนี้ก็คนไทยกับคนราศี สีนี้ด่าสีนั้นพวกูถามว่าเอ้สีนั้นเป็นคนเวียดนามหรือเปล่าไม่เป็นคนไทยเหมือนกันสีนี้ก็ด่าสีนี้สีนี้เป็นคนเขมรหรือเปล่าก็เป็นคนไทยเหมือนกันเรารักชาติไทยทำไมเราต้องไปด่าคนไทยตอนนี้มันเกิดทิฏฐิมานะและการเรียนรู้วิชาการต่างๆก็แยกแขนงฝึกจิตก็แยกแขนงตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่านะเอาอุบายวิธีไม่ได้ผิดมันเป็นเทคนิค คุณถนัดซ้ายคุณก็ทําซ้ายคุณพายซ้ายคุณถนัดขวาก็ภายขวาเราอยู่ในเรือเดีย่ยเดียวกันใช่ไหมก็ทําหน้าที่อย่างมุ่งมั่นอย่าไปเถียงกันว่าซ้ายดีขวาดีนะที่ศูนย์พารานข่อยเราอยู่ชายแดนลาวนะเพราะครูบอกทุกคนจะลากลับบ้านมาเนี่ยเดี๋ยวนั่งรถออกไปเนี่ยไปถึงสมแยกเหล่าอินแปลงตอนนั้นเขาเรียกว่าสาแยกเหล่ายินแปลงเราเป็นคนไทยเราต้องเดียวซ้ายนะ จะไปอำเภอสิลินทร์ไปพิบูลเข้าวารินมาศรีเจเกตมาสุรินมากรุงเทพอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าเราเลี้ยวขวาเราจะเข้าไปประเทศลาวพอเราเลี้ยวขวาเลี้ยวผิดเข้าไปประเทศลาวเนี่ยนักวิชาการก็มานั่งทะเลาะกันไปวิจัยว่าเธอว่าชิดขวาดีชิดซ้ายดีเพราะรถฝั่งฝั่งลาวเขาชิดขวาใช่ไหมวิศวกร ก, ก็มาบอกว่ารถยี่ห้อนี้ดีกว่ายี่ห้อนั้นใช่ไล่ะ นักการขายก็ไปเรียนรู้วิธีขายว่าเออของฉันดีกว่าของเธอเพราะเราต้องการเป้าหมายนั้นผู้ปฏิบัติธรรมก็ขอแจมด้วยเธอต้องขับมีสมาธิมีสตินะถ้าขับมีสมาธิมีสติเนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีน้อยใช้คําว่ามีน้อยไม่ใช่ไม่มีนะขี้เล่าเมามาก็ชนเราได้แต่ถามว่าชีวิตนี้ถึงกรุงเทพไหมมาเชียงใหม่ได้ไหมตำนั้นมันหลงทางตั้งแต่วันแรกแล้ว จุดเริ่มต้นของชีวิตเราตั้งโจทย์ผิดคือมิจฉาทิฏฐิเราทาถูกแค่ไหนก็ผิดอันนี้ชี้ให้ดูไม่ใช่จบแค่สติสมาธิจบที่ปัญญาเมื่อคุณไม่มีปัญญาคุณถึงเรี้ยวผิดไงนะคุณมีสติสมาธิแค่ไหนก็ช่างเนี่ยคุณก็ไม่ถึงฝั่งนะถูกแค่ไหนก็ผิดเพราะคุณเลี้ยวผิดคุณตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดเห็นศีล ส, สมาธิปัญญานะศีล ส, สมาธิปัญญาไม่มีคาว่าสติ ทานศีลภาวนาก็มีคําว่าส ต, สติสติจึงสติจึงไม่ใช่เป็นพระเอกแต่สติเป็นเครื่องมือหนึ่งในมรรคมีองแปดที่สําคัญต่อการเดินทางแต่ตอนนี้เราไปจบที่สติอะไรก็สติสตินะก็บอกแล้วว่าโจรก็มีสติโจรก็มีสมาธิไม่งั้นเ้าพ้นไม่สําเร็จแต่เขาไม่มีศีลไม่มีปัญญานะเป้าหมายที่เรามาฝึกเนี่ย แน่นอนกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตสุขอันนี้เป็นโปรแกรมใหม่นะเป็นชื่อเรียกใหม่นี่เป็นครั้งแรก 27%. เจปีของพวอครูเนี่ยเราอยู่ในศาสนามาตลอดนะนิพานอย่างเดียวแต่หลังจากพระครูแล้วความขัดแยง้งมาดูแล้วความขัดแย้งมันมากมายเหลือเกินอย่างเด็กอนุบาลเราภาษาด็อกเตอร์ไปสอนเขาได้ไหมมันคนละเรื่องเราต้องแบ่งปันให้คนหมู่มากเนี่ยมีโอกาสเข้ามาแล้วก็ แก้ปัญหาการขัดแยง้งนะโดยเฉพาะข้ามพ้นเผ่าพันธุ์ข้ามค้นศาสนาสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะเราก็บอกว่าเรามาฟิตเนต็ชีวิตชีวิตฟิตเนตสภาวะนิพพานเน่ยเป็นฟิตเน็อย่างยิ่งฟิตเนต็หมายถึงความพอดีเหมาะสมเป็นกลางนะ ภาษามันไม่สําคัญหรอกนะเทียบกันยังไงก็ได้ขอให้เกิดมรรคผลสําหรับเรามรรคผลคือว่าเราเก่งอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นไม่เก่งเขาไม่มีจะ ก, กินหรือว่าทะเลาะบอแวงกันของเธอดีคนทะเลาะกันก็คือไม่ดีนะมวลมนุษยชาติต้องหยุดทะเลาะกันนะเราเป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกันนะก็นี่แหละให้บอกว่าเรามาฟิตเนส ฟิตเนสนี่ภาษานี่มันดีมากนะครัมันฟิตเนสมันเป็นเหตุก็ได้ฟิตเนสก็คือว่าเรามีการการกระทําให้เราแข็งแรงผลก็คือฟิตเนสเหมือนกันชีวิตเราก็ฟิตเนสล่างกายก็ฟิตเนสจิตใจก็ฟิตเนสนะกายฟิตจิตเฟิรม์มอารมณ์ดีชีวีก็มีสุขเรามีสุขแล้วเต็มเปี่ยมเราต้องมีส่วนเกินเพื่อแบ่งปันให้คนอื่นด้วย น, นะถ้าจิตใจที่ไม่มีฟิตเนสแล้วเนี่ยมันจะแบ่งปันไม่ได้นะเพราะมันยังมีคำว่าพอนะถ้าเราวัตถุเป็นที่ตั้งแล้วนี่ชีวิตนี้เราคงไม่มีส่วนเกินเพราะมีคนมากกว่าเรานะถ้าเราชีวิตเป็นที่ตั้งเราเข้าใจชีวิตเราพอใจเพียงแค่มีโดยเฉพาะองค์ในหลวงเราเนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะคูไปมาทั่วโลกแล้วนะเพราะคูเคยต่อสู้อยู่ในเวทีใหญ่คืออเมริกานะ ไม่มีผู้นำแผ่นดินหรือว่ากษัตริย์องค์ไหนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะพระองค์ประสาทวิชาสุดยอดของเราคือเศรษฐกิจพอเพียงแต่นักวิชาการไม่เข้าใจก็มาเผยแร่ว่าพออยู่พอกินพอใช้เอาแต่เรื่องวัตถุอีกไม่ใช่บิลเกตยังไม่พอเลยใครจะพอท่านในแง่วัตถุนะพอใจเพียงแค่มีเริ่มจากพอใจเพียงแค่มีมีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจ แต่ไม่ได้แปลว่าพอแล้วโดยเฉพาะศาสนาไม่ได้สอนให้เราขี้เกียจสอนให้เรามีวิริยะมีความเพียร น, นะแต่พอใจทำแล้วได้ก็พอใจทำแล้วมันเสียมันพลาดโอกาสก็พอใจพอใจในสิ่งที่เราได้ทำนะไม่ใช่ได้ก็ดีใจเสียก็เลยเสียใจนี่คนโง่นะสตว่าเราเราทำแล้วเนี่ยมาเราไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่ได้รางวัล เสียโอกาสได้รางวัลแล้วยังไปเสียใจด้วยอันนี้เขาเรียกว่าโง่ซ้ำซากทําแล้วเสียก็ต้องพอใจอย่างน้อยเราได้อะไรถ้าทำแล้วชนะปุ๊บเราได้เงินเออก็พอใจถ้าแพ้ปุ๊บเราพลาดโอกาสเด็ก็ได้เงินแต่เราได้ประสบการณ์อย่างยิ่งเด็กๆมาเรียนหนังสือทําไมคุณพ่อคุณแม่ลงทุนให้ทําไมกว่าจะเรียนอนุบาลจบปริญญาตรีโทเอกขึ้นล่องชีวิตลงทุนลงแรงลงบทเรียนทําไมเรียนเพื่อได้มีความรู้ไงการที่เราพลาดพั้งเป็นความรู้อย่างยิ่ง ต้องดีใจถ้าเราเข้าใจชีวิตแล้วเราไม่มีเหตุผลที่ทำให้ตัวเองทุกข์ไม่มีเหตุผลเลยนะอย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทำงานนะรอให้มันได้ก่อนแล้วค่อยสุขเนี่ยเกิดว่าคืนนี้นอนหลับมันไม่ตื่นชาตินี้ก็เลยไม่ต้องสุขกันเนี่ยอันนี้โง่ซ้าซากนะเห็นไหมพราะเราไม่เข้าใจชีวิตถ้าเราเข้าใจเศรษฐกิจพอี